ฟังธรรมขอมีส่วนร่วมกับทุกท่านในการทําความดีในการรักความชั่วในการทำจิตให้บริสุทธิ์อะไรที่พอจะเป็นเพื่อนกันได้ผู้ใ้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ใช่หรกเกี่ยวเดียวได้ใครมาจากไหนที่ใดเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้มีอายุ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 อย่ า, อามาเป็นเครื่องต่อรองกับความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวทันทีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้ที่เราประกอบความเพียรบ่าลบความเพียรอยู่ให้ถือว่าเป็นอาชีพสักเดวันห้าวันท0วันสี่วันเราทำสิ่งใด้บ่อ ย, อยลันก็ชั่นี้ชํานาน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 เรามันสุขเหมืนทุกข์รู้สึกตัวทําให้มันเป็นเราเหมือนโกรธเมืนโลภ ม, มั อ, หอนหลงมีกิเลสต่างๆล่ะคะที่มาเกิดขึ้นก็ให้มีความรู้สึกตัวทำเรื่องนี้ให้เป็นกลับมาใบ้ๆอาศัยนิมิตอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่มิติที่เราเอาศัยใช่กายนี่แหละเป็นวัตถุอุปกรณ์ผิดความลู้ขึ้นมาหัดให้ไม่มีสติไปในกาย อย่าเพ่งอย่าจ้องทำสบายสบายของที่มันเบาบางทีไปโหมมันก็เสีแรงไม่ใช่เรื่องโหมกำลังเอาจริงเอาจังอย่าไปเอาจริงเอาจังจนเกิดความคิดเอาไปใช้ความคิดหาคำตอบจาความคิดทั้งกายทั้งความคิดมันก็เป็นเรื่องยากบางทีก็เพี่ยนไป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 มันมีลูน้อยๆก็ค่อยๆนวดบีบนวดดอกมันก็ออกเป็นเส่นได้ถ้าบีบแรงเกินไปนก็ขาดเหรียนขาดก็ต้องเสียเวลาเสียแรงไปเปล่าๆถ้าเราหัดทำให้เป็นอย่างนี้กับการสอนตนเองเยมันก็เรื่องยากเป็นแลวง่ายได้ความรู้สึกตัวมันเรเบา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 ถ้ามันอยากนั่งก็นั่งลงถ้ามันอยากยืนก็ยืนขึ้นถ้ามันอยากเดินไปไหนมาไหนอยากปองอะไรแต่คิดอะไรมันเคยกินดังนั้นเราก็สอนมันตรงนั้นแหละหัดลำดับลำำํานําให้มันชัดเจนเกี่ยว ก, กับการใช้ชีวิตมันมีสิ่งผึดเกิดเยอะแยะหลเรื่องตาหูจมูกดิ้นกระจายบางดีก็เอามาประกอบ แม่สิ่งเวทลม้มชวนให้ลูกลก็มีชวนให้หลงก็มีในตัวนอกตัวเอามาเป็นการสอนตนทั้งหมดมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดรว ม, มลงที่นี้แม่ไม่มีที่ไหนที่ไหนเอามาไว้ที่นี้เอามาลงที่นี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวง่ายง่ายไวเชี่ยวเหี่ยวผลนะ เอาเหตุเอาผลไปแก้ไปไขเอาหัวคิดปัญญาคิดได้ตอบได้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเราเรียนหนังสือวิชาการต่างๆมันท่านทั้ ง, งหลายเรียนจบมายั่คงรู้กันดังนั้นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าพายสีทธธัตทะรู้มามากกว่าเรานี้1สเจ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลย ที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ตัดสรูดได้ถึงมรคนิพพานได้มามีสติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยไม่พระองค์เริ่มต้นต้องแรกนี่แต่การคู่เชือนเข้าการเหยียดเขือนออกให้มีสติหัดตูด้เชือนเข้าหัดเหยียดแขือนออกหัดเดินไปข้างหน้า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 เราไปจับจิตจับใจเลยบังคับไม่ให้มันคิดให้มันสงบหลับตาช่วยมันบริกรรมช่วยมันอันนั้นมันไม่ใช่ของจริงของจริงชีวิตเราต้องอใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้อริวทต่างๆได้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังได้แต่ให้มีสติเรียกว่าสอนตนฝึกตน้างทีเรไปบังคับตัวเองบางทีก็ ตั้งอะไรไว้ผิดๆสมัยก่อนลองตาเคยเอาเรื่องอื่นจริงจังเกินไปเราเดินจงกรมเราเดังสมาธิอันนี้จุดทูบไว้เราทูบไม่หมดจะไม่ลุกเดินจงกรมก็ปักทูบออกไว้าทูบไม่หมดจะไม่ยดุด มันก็มองไปเมื่อไรทูกจนะหมดเนาะเลยมันก็เป็นเรื่องที่กระจุยกระจายไปเลยบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช่ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช่เป็นก็มีประโยชน์อาตัวเรานี่แหละกําหนดมันมีความพอดีของไขของมันเพราะฉะนั้นก็นั่งไม่ค่อยได้นานเพราะฉะก็นั่งได้นานอันนั่งการลุกมันจะให้ กายมันสั่งแบบมันหรือความคิดมันสั่งให้สติมันสั่งให้มันเป็นใหญ่สักหน่อยให้สติเป็นใหญ่เวลานี้จะให้กายเป็นใหญ่จะให้ใจเป็นใหญ่อย่าเอากายไปต่อรองบางทีอย่าไปเอาความคิดต่อรองกาหนดเลยความคิดที่ไม่เคยฝึกหัดจิตใจของตอนเองมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไรก้มไลายคามดีผูู้แพร่แพร่ ควาพอใจควไม่พอใจนิสัยต่างๆมันเคยกินมันติดเปือ้อมันเบื่อนมาแล้วจะใครจะมีนิสัยยังไงบัดนี้เรามาขอนิสัยจากพระพุทธเจ้าหังบันเดนิดสิ ย, ยังอยาจะมิพระเจ้าขอนิสัยขออยู่กับธรรมวินยัยขอเข้าแบบเข้าพิมมาหลอ แบบพิมพหล่อให้เป็นพระนีสติเนี่ยเป็นแบบพิมพแม่พิมพ้็ความหลงมันหล่อให้เป็นเปร เ, เป็นผีเป็นยักษ์เป็นบานตามอาการต่างๆมันมีรู้มันมีหลงเนี่ยแน่นอนที่จุดไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้ก็ไม่มีมรู้มันก็ไม่เห็นหลงบางทีความหลงอาจจะอยู่ครอบของอใจของเรา พอให้เราผิดพลาดหลงไหลไปต่างๆแบบนี้เรามาลู้สึกตัวไปก่อนหัดลู้หอดลู่หัดลู้สิบสี่ลู้สร้างจังหวะสิบสี่จังหวะด้ยความลู้สิบสี่ครั้งครั้งละวินาทีมันก็ทำได้อย่างนี้จึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่มีใครยกเบือไ่ลู้สึกตัว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 ต่อไถ้ามันจำนานไม่ไ ม, ไมต้องเอาใช้บรรทัดกดได้แล้วก่อนเราเขียนหนังสือต้องดูกรดอนมือต้องเขียนแบบนี้ไม่ต้องดูกรดอนเขียนอะไรมันมีอยู่ในสมองหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์มันบันทึกไว้แล้วอันนี้มันบันทึกอะไรมา ใจของเราบางเคยอะไรมาใจก็หลราบางเคยชินอะไรมาบางทีมันทวนไปอดีตบ้างอนาคตบ้างไหลไปอานาคตไหลไปอดีตไปข้างหน้าไปข้างหลังคนหนุ่มมองไปข้างหน้าตกพืตัวฟือไปแล้วจะทําไงวางเพียนอะไรคนไหนที่คนรักคนไหนที่เราพอใจหาคําตอบจากความคิด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 อาษานะฝันลายฝันหวานบางทีก็ไปอาศัยความฝันจริงๆ น, น, นะโดนเกิดขั้นพึ่งความฝันไปจนแล้วคนก็หยัน่นพึ่งการกระทาปัจจุบันนี่คือของเก่งมันต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้สิบสี่รู้สิบสี่วินาทีเอาไปเลยผมรู้จักตัวสิบสี่วินาทีรู้ที่กายกายก็มีทุกคน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 ไม่มั่นคงชัดเกณแม่นยําหัดตนสอนตนงดแต่คิดเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาถูกเอาพอใจเอาไม่พอใจชอบจากนั้นชอบจากนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากการกระทมันปลายไปแล้วรากการกระทมันเดี๋ยวนี้คือเนี่ยคึกจากนี้เรียกวกรรมฐานทำให้เกิดพุท ธ, ธะจบได้ ความหลงก็จบได้ความโกรธก็จบได้ความทุกข์ก็จบได้กดิเลสตัณหนาอะไรก็จบได้มีต่จิจที่บริสุทธิ์กลายบริสุทธ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็สนดวกใช้ชีวิตตื่นแต่ดึกสึขสนมไม่มีชีวิตดังงานไปอย่ารอให้เท่าหัแจงเราไปเท่าบัวแจงเราฝึกมันก็ฝึกยาก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 เั็นแก่อย่างหลงตาเนี่ยประชาชนบัดประชาชนก็ไม่ถามหาแล้วไม่เป็นที่เป็นไปต่อจริงไดยถ้าคนหนุ่มก็ต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แม่แต่ปัญหาต่างๆก็เจอคนหนุ่มก็เจอวัยรุน่นเราจึงเขียนซะตั้งแต่จว น, นี้มีสติรู้สึกตัวไป มีสติวินาทีหนึ่งมีสติวินาทีนึงันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเันน้นเงินหมื่นเงินแนก็นับจากบาทเดียวเรื่องละไปมันทำได้กายก็มีจริงใจก็มีอยู่รู้สึกตัวไปมันก็มีกายมีใจเท่านี้คนเราแม่แปดหมื่นสี่พันเรื่องมันก็มีกายมีใจนี่ถ้าหลูต้นต้นนี่เข้าไปก็ มันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของก็ป่อเถื่อนชมำสนก่อยโสเพณีจิตโศเพณีไปเลยทำรีทำชัว่วทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายเป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่นจึงเงินวัตถุอื่นทุกคนถ้ามีสติดูกายกับคนทุนเดียวกันแท้ๆเราเนี่ย อย่ามาอ้างอยากดีมีจนดีชั่วอะไรอ่ไม่ต้องออกมาอ้างก็ยิ่งทำอะไรมาก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดทบทวนอะไรมากมาปฏิบัติทำมันชิ่นเบนชิ่นกรรมเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยมันก็หมดกรรมไปแล้วเวลามันหลงรู้สึกตัวชิ่นกรรมหลงไปแล้วอมหลงก็ไปเป็นเปรตเป็นสุรการจตนาลกเดือดฉานเราหมนรู้สึกตัวมันขึ้นมาสู คมเป็นมนุษย์ความหลงเป็นคนความเป็นรู้สึกตัวเป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีความรู้สึกตัวมีใจสูงแล้วความเชื่วเป็นทําความดีเป็นโดยเาะโดยใจของเราไม่ต้องไปหาอะไรอย่างอีกมากมายบางทีเราไปต่อลองเราไม่มีโอกาส ท, ทาบุญลำธารอันั้นอย่ากเอามาต่อลองนี่แหละการทําบุญเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบุญแล้วบุญคือความรู้บาปคือหลงทําบุญตัว น, นี้ เรียกว่ากุศลก็ได้ควาดีควาดีให้ลูกถึงตัวเนี่ยเป็นความดีแล้วถ้าเราลักพอ่อลักแม่ลักลูกลักเมียลักพี่อลอน้องเราก็ต้องเป็นคนดีตรงนี้ไม่ใช่ความลักด้วยคิดอะไรอาวรบนั่นมันไม่ใช่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์ีมันคือเราเป็นคนดีลักก็มีปัญญาก็เราต้องเป็นคนดีอลักพอ่อลักแม่เราก็ต้องเป็นคนดี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 อ้าเป็นคนชั่วมองเห็นหน้านกันก็เป็นนรกกันเตเป็นสโลกายไปเลยมันอยู่ที่ความดีความชั่วนี่ขีดบนาองความดีมีสติเนี่ยแล้วมีสติมันคิดก็ไม่ได้มันพูดก็ไม่ได้มันรู้สึกตัวมันอายตัวเองนี่แต่มันคิดมันก็อายนะถ้ามีสตินะไม่มีคนอื่นเห็นเราก็เห็นบ่าเอ้ยทิ่นี่ก็าคิดเหรือ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 โอ้ยชุ่เป็นราชาเข้ามาดูเองเวลาน อ, อนเวลาน อ, อนเราดูที่นอนของตนเองแล้วตื่นจากที่นอนที่นอนก็จูระจอยมองดูที่นอนของตนก็ด่าตัวเองไอชาดหมาไม่สมกับเชื่อชาติลัทธิสีมึงไม่ต้องไปหาจินแหละน อ, อนเนมันตายอยู่ในถ้ำเนี่ยนอนลงองีคืนที่สองมองดูเห็นกระจูใจไอชาติหมา ด่าเองมองดูกีวรไอ้อชาติอะไรเนี่ยเป็นกีวรญาติโยมคอยุกหมูว่เมื่อชั่วเร็วซ้ำวันนี้เวลยด่าชาติมาไม่สมกับญาติโยมกว่าไหวทําบนไอ้ทานน่าเองจนในที่สุดหลราจะสีลุกขึ้นมาที่นอนเรียบร้อยที่นั่งเรียบร้อยเอาหากินได้วันนี้ไปหากิน๋นะ เราก็ด่าตัวเองมาอย่าไปหัดด่าคนอื่นหัดด่าตัวเองดีที่สุดตั้มหนีตัวเองอย่างเราจวบเมื่อกี้เนี่ยตัวของเราเองติเตือนเราติตอนมาอะไรได้ไหมตัวเราเองติเตือนเราเราได้เองได้โดยสินได้หรือไม่ติตัวเองเตือนตัวเองลูกใครครแล้วติเตือนเราโดยสินได้หรือไม่ อาการกายว่าจจอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้มีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เรายินดีในที่สงัดหรือไม่เรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วมองเขาไหมามันคิดหรือเนี่ยบ้าเด้เนี่ย มันคิดไม่ดีมันก็จะทําไม่ดีมันก็จะติดนะสติรูปไปรูปออกออก็มาล้างบอกอ๋อความคิดตัวเองลยกมือไหวตัวเองได้เป็นพระแล้วเมือคนอื่นไหวเราเราก็ไม่มีเจ็บใจตอนเราเป็นคนชั่วเขาเสียบาตเรามันเจ็บใจ เรายกมือไหว้เรามันเจ็บใจถ้าเราเป็นคนดีเราได้ไม่มีการเช้าหมองเราก็เหมือนกับถ้ายกมือไหว้ตัวเองไม่เป็นเราก็ไม่มั่นใจชีวิตเราเนี่ถ้าจกมือไหว้เป็นเขาเห็นทาก็ปกติเขาเสนอเนก็ปกติเมื่อได้อะไรก็ปกติเมื่ออะไรเสียไปก็ปกติ ไม่หวั่นไหวผู้ที่ฝึกขนตนดีไม่หวั่นไหวเหมือนจิตดาแทงทึบไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใดผู้ฝึกตนดีแล้วไม่หวันไหวเพราะนิรดา ส, ะะสนรเสริญมันเป็นของใครเป็นของเราทุกคน呐นะถ้าเราเป็นคนดีอย่างนี้แล้วหนึ่งเราเนาะประเทศเราหกสิบกว่าล้านคนนะนับหนึ่งจากเรานี้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 เห็นพยาบาลเหมือนเห็นเทพพิดาของเราเลยเห็นหนายแพทย์มาเห็นเทพปรปุษต์ของเราเลยโรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เกิดไหมของเราเลยเรายังคิดถึงอยู่คนหมอที่ยืนอยู่ ข, ข้างๆตียโรงพยาบาลที่ให้ยาหลวงตาหลวงตาอยากท่านอยากท่านทายอยากท่านหนักกันเบานะ อาการหนักกันเบามันทรมานตายไม่เคยได้ยินใครพูดเลย <c oughs> แล้วเคยเวลาปวดหนักปวดเบาไม่กั้นอะไรตัวนี้ oh. เพราะเสียงไพว า, านบอกเราในห้องไอซอยูหลองตาหลวงตาอย่า ก, กั้นหนักกันเบานะมันทรมานตายได้ยินเชิงแววแววไม่เคยมีใครบอกกันนี่เลยเราก็อายนะที่แรกไนะ ไม่กล้าที่นอนหนักนอนเบาบนเตียงแล้วก็ทำไมได้งัดไปหัหาก็จะอาจารย์โนดอาจารย์ตุ้มเลยช็ดที่ช็ดเยอะไหมเอ้เอา้าหลอตาที่ไหนไออะไรไม่ใช่หลงตาแล้วมันเป็นท่าธรรมดาเงินท่าธรรมดา ไม่ใช่หลงตาสำคัญมั่นหมายไว้ตัวเองไม่ใช่ไหมตกเป็นธาธรรมชาติมีดินน้ำลมไฟเวลาเมาล้นก็ถนเขาเหมือนกันไว้อายเขาทีแรกแล้วก็ของล้นแล้วล้นแล้ ว, ลลวไม่เป็นไรมาเช็ดเอาผ้ามาปูที่หลังหน้าไมไม่ใจไม่เรียกว่ า, ท, าที่พิดาอย่างไงช่วยเราอย่างนี้คนเราเนี่ยพยาบาลนะ เจ้าหน้าที่ ส, สาธารณสวเพ็นบุญในหัวใจของเราทุกคนนี้ขอใช่นี่ประเทศชาติโดยการบอกความจริงกันอย่างนี้นอย่าหลงเถอพวกเราให้มีความรู้สึกตัวไปช่วยกันนะกันเอาอันนี่ประโยชน์เนี่ยมือสิบนีมม่สร้างโลกได้หลังจาก็มาใช่นี่ชวนพระชวนโยมโปูม่ป้อนม้อยต็มหมดผลใช่นี่ประเทศชาติอีกสี่สิบปี ขายได้ต้นละหมื่นบาทสี่แสนต้นได้สี่แสนหมื่นให้จันทุนจะว่าขายรวยไปเลยหลังต่อจะก็ตายไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอ่าขอใช่นี่พอจะก้มไหมอีกอันหนึ่งก็คือมาสอนให้เราเป็นคนดีเนี่ยไปช่วยกันนะเราก็มีเตัา น, นี้แหละหมดสภาพแล้วจึงอาศัยพวกเราอยู่ช่วยกันเถอะ มาเป็นคนดีมาแล้วความชั่วมามีสติเนี่ยมันทำหน้าอยู่ไม่มีใครไม่มีสติเรื่องนี้เลยทำหน้าอยู่มาอยู่ที่ละน้อยไปบ้านน้อยกนอดลูกอนอดหลานเอาใส่ความคิดพาไปอย่าระวังนะความคิดมันหลอกหนาเหมือนเราตาองหนะ้ามาอยู่กับเราเนี่ยสมัยอยู่บังเลยหลังจากผมตั้งใจแล้วมาอยู่กับอาจารย์ ทิ้งใจมาแล้วอให้อยู่ปฏิบัติทำไปหายบาทมาลาอะไรล่แล้วก็ผมเจลากับพัดกรนอันนั่นก็ยังไม่เสร็จอันนี้คือยังไม่เสร็จเอา้าเมื่อสี่หาวันมาว่าจะมาอยู่ที่นี่ทำไมจะคิดจะกลับผมบอกให้หมาดูความคิดนะ เห็นความคิดตัวเองมันคิดอะไรจะไปทามันทั้งหดหรืดูทีๆให้ความคิดสั่งมามาทีแรกอะไรพามาความคิดพามาอยากไปอะไรพาไปความคิดฝากใบความคิด อ, อืมนั่นแหละให้ดูวนันอย่าไปทำตามมันทั้งหมดความคิดอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ให้เราเนี่ยเป็นเช่นหลารูสึกตัว วันที่จะลุกกล้วยหม่ลุกฮนะรูกทุกตัวว่าที่จะใจไหลก็ลูดทุกตัวเนี่ยเอาตัวนี้เทศไปเลยสอนไปเลยพายบาดกลับพื้นไปปกติทั้งงานก็ไม่ไปไนะนเพืเ <c> ม <oughs> คิดบางทีหลงตาก็เอาเรื่องนี้จริงจไปปฏิบัติธรรมนึ่งเดือนที่จังหวัดดรอนธานี่ ม, นมื่ธรรมาเสนาม่หลวงพระ อ, องค์หนึ่ง ไปเอาน้องชายมาบวชอยากให้มาปฏิบัติตามคิดถึงน้องน้องนั่นเป็นคนร้อยได้มากได้กลัวว่าเขาจะมาฆ่าน้องเอาน้องมาบวชจ้ะน้องชายก็เชื่อฟังพี่ชายมาบวชพอบวชเรากให้เดินจงกรมอดี๋ยวหลวงตาก็เดินอยู่เขาก็เดินอยู่เดินต่อแต่ตันนะ่ะวัดสร้างใหม่ไม่มีต้นไม้เลย ตั้งปเลยไหมเดือนหนึ่งออกแดดเดินกันหงอไหลขย้อยแล้วเดินอยู่ออกไปมามากราบเราอาจารย์ผมไม่ใช่ที่มาบวชนานนะผมมาบวชเพราะพี่ชายชวนมามาบวชเดี๋ยวเขาจะสึกกันเลยบอกอ๋อใหม่ใหม่ใช่มาเดินจะกลมเพื่อคิดเรื่องจะึกนะต้างมาเดินให้รู้จตัวเนี่ยรู้จุดตัว ไปเดินจงกรมก่อนไม่ใช่ชิดเรื่องสึกเรื่องสึกมันยากหายนีดเตียวยากเลยเลยไปไปเดินเอาไปมามาหลายแล้วก็บอกขี้เขาไปขี้เขาไปเห็นไหมเห็นความคิดไหนอะไรที่มันเดินมาขอลาสิความคิดเอาความคิดอะไรก็จะทําตามมาันหรืความคิดเนี่ยดูมันดีๆเวลานี้เป็นเวลาเดินจงกรม อันสึกไม่สึกไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เวลานี้ใช้ให้มีสติเนี่ยไปเดินยังก็ปไปก่อนนานนานเป็นชั่วโมงมาแบานี่มันกราบเท่าเราอาจารย์ครับผมเพิ่งมาเห็นความพิษของผมเวลานี้แต่ก่อนผมตกเป็นข้าของคิดผมเป็นคนชั่วทำร้ยคนมามากแล้วต้มเคยฆ่าคน ใครจะมาทำลายผมไม่ได้ผมปลกข้องกุ้งของญาติพี่ร้องทั้งหมดคนใตคนตระกูลนองผมเขากลัวผมทุกคนขเขาไม่กล้าดังคิดว่าตัวเองดีเป็นการปกครองแต่พี่ชายเป็นหว่วงไม่อยากให้น้องทำงานคิดขึ้นมาโอ้ยผมเสียใจผมกําลังวางแผนหลวงพ่อเอาจานชิ้นให้ผมผมจะไปเอาปืนกับลูกชายผมผมจะไปยิงคนนั้น มันจับผมมาได้ตำรวจไม่เคยจับผมได้โอ้ผมหมาเสือใจหลวงพ่อบุญล่อมจนไม่สึกหลอดทุกวันนะเท่านตําตงอนทาพทียงหวัดหนองขาจดหมายมาให้หลวงตาในีไปว่าให้มาดูแล้หลงงขั้งสุดท้ายแล้วให้หลวงตาเป็นผู้มาจัดงานศบของผม ไปมอลลภาพที่จังหวัดหนองคายไม่จึกเลยความคิดน่อยๆอย่างงเออนั่นเนี่ยอย่าไปทำตามความคิดเสมอไปเรารับใช้ความคิดบ่าบ้าแล้วเกิดคิดชั่วคิดสุขคิดทุกข์ความสุขความทุกข์กับความคิดมาเห็นลูกทำานำทำบหล่มโอ้ยตั้งแต่วันนีเต่อไป เราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจล่ะแต่ก่อนกายใจทํำอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงนี้ไปเราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเราจะอยู่ของเราเองปลอดภัยตรงนี้ไปให้ถึงตรงนี้ให้ได้ถ้าใครยังเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่อย่างไม่มั่นคงชีวิตนราสุขทุกข์ที่เกิดกับกายไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นสังขาร กายสังขารจิ ต, ตสังขารไม่จริงไม่ใช่สมงจริงต้องเป็นตัวของตัวเองนะได้ยินไหมยาดโยง